เธอกับเขาเราสามคนใจเธอนั้นว่าบลหรือเปล่าวันก่อนก็บอกมีแค่ฉันแต่วันนี้มีเขาคนไหนเล่าใน เ, าเรื่องราวที่เธอนั้นบอกว่ารักกัน กับฉันไปตลอดการทำไมมาทิ้งกันทำไมเธอหลอกฉันไม่เข้าใจ ไม่มีเธอคนนั้นอยู่เธอทำใม้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่าในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีใครไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้อยู่ตัวคุณเดียวมันก็ที่จะตาย ไม่ต้องเดือร้อนเลยอยู่กันเท่านี้อยู่กับเวล า, าความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่าเขียนัเราคุณจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิมในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่จะทำให้ใจของฉันดวงนีเหมือนว่า ที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจยอมรับว่าฉันนั้นวางปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ก็ไม่จำเป็นต้องมีใครไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้อยู่ตัว่อคนเดียวมันคดีจะตายไม่ต้องเดือดร้อนเลยอยู่กันเท่านี้อยู่กับเวลากับความเป็น คุณจะกลับมาอยู่ ไมจำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้อยู่ตัวคนเดียวมันก็ทีดีจะตายไม่ต้องเดือดร้อนเลยอยู่กันเท่านี้อยู่กับเวลากับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่าเกยดีน้นเราควรจะกลับมาอยู่ กจะกลับมาอยู่